ลูกรักทั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็มาขอตอนต่อตอน ท, ที่ที่หยุดไว้เมื่อหน้าเขาเษโนอนหรือว่าตอนนี้มีความรู้สึกเป็นศพ ข, ขณะที่เป็นนอนอยู่ที่วิมานบนนิพพานร่างกายมันก็เป็นศพมีความจำใสทุกอย่าง มองมองโดยรอบอิมานก็ไม่ได้ความสดชื่นวันนี้มีความดีทุกอย่างในช่วงนั้นก็รู้สึกว่ามีท่านที่เป็นบิดามารดาท่านที่เป็นครูบาอาจารย์และก็ท่านที่เป็นบุตรเป็นหลานเป็นพันเป็นเพื่อ น, น, นก็ต่างคนต่างมากันเต็มแพรว์รไปหมดสวยสดยางดงามไม่ได้ความรื่นเริง สำหรับพ่อมีความรู้สึกยังไงนั่งดูอยู่ก็มองดูมาดูข้างล่างเห็นเจ้าร่างกายมันก็นอนเฉยมือก็วางอยู่ในลักษณะของการนอนงายแล้วก็คิดในใจว่าเจ้าร่างกายเอ๋ยเองที่มีความสั้นดานหยาบมีความอักตัญอยู่ไม่รู้คุณ ฉันเลี้ยงแก่มาตั้งแต่กเกิดทุกวันก็อกเอาใจทุกอย่างหนาวก็หาเครื่องอุ่นมาให้ร้อนก็หาความยินมาให้หิวก็หาหารมาให้แต่ว่าเจ้าร่างกายไม่เคยตามใจฉันฉันเอาใจฝ่ายเดียวแต่เขาก็ฝืนใจทุกอย่างดีแล้วเองพังฉันได้ก็ดี ฉันจะต้องแนนไปไม่ไปอยู่กับเธอที่ฉันนอนที่นี่ให้มันมีความสุขรู้สึกว่าไปตั้งถ้ามีความสุขบนนั้นอยู่ชั่วครู่หนึ่งเวลามันก็ค่อยๆผ่านไปประมาณตั้งสามชั่วโมงของเมืองมนุษย์ก็ปรากฏว่ารูปไปชโฉมเขอ ง, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมา ทรงเปล่งพระศมีรัศมีหกราการพวยพ้่งออกจากพระวรกายพระวรกายเขาองค์สมเด็จพระจอมไตรสดสวยมากพราก็ลุกขึ้นนมัสการสมเด็จพระวิชิตามัยก็ทรงประทับบนพระแท่นที่สูงกว่าสวยสุดก็ ง, งามเป็นพิเศษและองค์สมเด็จพระบร ม, มลโลกกเชก็ทรงถามว่า สัมเกตสีจะกลับไหมโลกพอ่อถวายนมันกายกราบลงไปที่ใกล้พระบายของพระองค์ไม่กล้าจะกราบบนหลังพรบาทเาะเกรงว่าจะเป็นการปรามาตรสมเด็จพระสัมมา ส, มสัมพุทธเจ้าเมื่ได้ตอบพระองค์อกว่าถ้าร่างกายมันพังหรือว่ามันสิ้นลมปรมาณข้าพพุทธเจ้าก็ไม่กลับ แต่ความจริงมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะกลับมากกว่าพระพุทธเจ้าค่าพระองค์จะได้ทรงมีพระพุทธฎีกาตัดว่าเธอเป็นพระทำไมทิ้งใจเมาแบบนี้เขากราบทูลองสมเด็จพระชินสีว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่มีกิจอื่นที่จะต้องทำแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจ คือการบริหารร่างกายถ้าร่างกายมันพังประสาทไม่ทำงานประโยชน์ในการลงไปก็ไม่มีพระพุทธเจ้าค่ะแต่กระสงแต่ ว, ว่ากิจยังมีอยู่หรือว่าเธอลาจากพุทธภูมิเธอก็ต้องทำกิจพุทธภูมิให้ครบ1ิบสองปี ยังในกราบทูลอง์สมเด็จพระจินาศีว่าถ้าร่างกายไม่ดีข้าพระพุทธเจ้าจะทํำยังไงใเมื่อรมปราณมันสิ้นไปและทุกขเวทนามันมากก็ไม่มีโอกาสจะทําได้ในปีกราการหนึ่งปมด้อยที่มันมีหนังจากข้อมือลงไปมันไม่มีแล้วถ้าจะไปในที่ไหนเขาก็จะหาว่าเป็นคนที่มีปมด้อย ในเมื่อเอาดีอะไรไม่ได้ก็มานั่งโกหกพกลมวระการถึงซึ่งนิพดานเป็นของดีแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่สามารถจะชนะขันาหาได้สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงแย้มประดเพราะความคิดของเธอไม่ตรงกับความเป็นจริงเธอดูที่มือเธอสิอาจารนี่ก้มลงมาดู มองเห็นท้ามาราชทั้งสี่ท่านนั่งล้อมมาอยู่สักครู่หนึ่งก็ไม่นานนักก็ปรากฏว่าท่านทั้งสี่ลุกไปแล้วสมเด็จไปจอมตรายก็ทรงตรัสว่าพิษแห่งความร้อนมันไม่มีแล้วเธอกลับลงไปได้ก็มีความห่วงใยที่หนึ่งว่ามือมันจะด่างไหมแต่มือด่างจะเป็นที่รังเกจข้าวคนพระรับฟังธรรม ท่าก็บอกว่าหนังไม่จะขึ้นตามปกติแล้วก็ยังไม่สังเกตจริงๆจะไม่รู้มือนี้ถูกไฟไหมท่านถามว่าต้องการความสวยหรือก็กราบทูลบอกว่าเวลานี้ข้าพระพุทธเจา้าก็ไม่สวยเมื่อก่อนนี้ก็ไม่สวยเมื่อความเป็นหนุ่มมันก็ไม่สวยเรื่องความสวยข้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการ มีความต้องการอย่างเดียวคือต้องการให้คนไม่เห็นว่ามีปมน้อยพระมือด่างและอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสอนเพราะว่าไม่มีทางออกในทางหากินจะต้องหากินในอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปขายด้วยความปกใจประชาชนคนเขาเห็นก็จะขาดศรัทธา สมเด็จพระบรมศาสดาจะงได้มีพระบุตรีกาตถวะาสำเกสีเรื่องนี้ไม่มีกลูกตรงไปเถอะกิจของเจ้าที่ะพึ่งทำข้างหน้ามีมากเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อลูกหลานของเจ้าเองเพื่อคนขมิบดาของเจ้าแล้วก็เพื่อคนนี้ก็เลื่อมใสในตถาคต <c oughs> คนบุคคลทั้งหมดนี่จะต้องรับภารกิจจากเธอหมายความว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนที่มีศรัทธาตอนนี้ก็หมายถึงว่าแยกกันว่าการจะสอนกันก็ต้องเป็นคนที่เนื่องเพิ่งกันขึ้นหนึ่งลูกที่ยังอยู่ในโลกทั้งหมดมีประมาณแสนเศษอันนี้สอนได้ สองคนของท่านมีได้คือคนของท่านท่านเกาท้าวโกศี ส, สกัิวราชอันนี้สอนได้ในบริการหนึ่งคนพระองค์สมเด็จพระจอมไตรคำว่าคนของพระองค์ก็หมายความคนที่ไม่ชีโลกและก็คนที่ไม่ชียญาติคนที่ไม่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ได้ว่าเคยทำบุญร่วมกันมาในชายก่อนก่อน เราทําเขาก็ทําเขาทําเราก็ทําก็ต้องถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันในฐานะในเรื่องในเรื่องของบุญเรืกุศลอันนี้สงเคราะห์ดได้แต่คนนอกจากนี้ก็ต้องอาศัยท่านที่เคยสืบเนื่องกันมาไม่ได้หมายความว่าคนที่นับถือพุทธศาสนาทั้งหมดจะต้องมาหาเจ้า องสมเด็จพระสัมมาสัรรมพุทธเจ้ากล่าวว่าต้องเป็นคนเฉพาะที่เคยร่วมบุญบารมีกันมาที่ว่าคนขอตอถาคตก็หมายถึงว่าคนที่เขาเคารพตถาคตในสมัยที่เธอเป็นมนุษย์เธอทํอาเขาทําเข า, าทําเธอทําแล้วก็ในตอนสําคัญที่ตถาคตทํากิจครั้งหนึ่ง นั่นก็คือขึ้นไปสู่บรรดุกพนศิระศิระอาจเวลานั้นเจ้าเป็นมนุษย์ไม่มีอำนาจในการปกครองประเทศก็รักษากำลังใจคนคือเลี้ยงคนที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมโลคเชตให้สถานที่พักให้อาหารให้ยารักษาโรค ในฐานะที่เป็นเจ้าของเมืองนั้นคนประเภทนี้ที่เจ้าจะสอนได้แต่ก็มีไม่มากนักเพราะส่วนใหญ่ในสมัยนั้นเขาปฏิพันธ์กันเป็นส่วนมากที่ยังเหลืออยู่ก็ไม่มากคนประเภทนี้เจ้าจะพรงเจ้าสงทอได้เมื่อสมเด็จพระจอมไตรยทรงตัดเสร็จท่านก็มีพระบัญชาว่ากลับมาเข้าร่างเดิมได้แล้ว เป็นอนก็กลับลงมาพระองค์ก็เสด็จด้วยเทวดาและพรหมพระทั้งหมดท่านก็นมาด้วยลงมาพอเข้าร่างเดิมก็ขยับมือสองมือมือซ้ายกับมือขวาก็มีความรู้สึกเท่ากันมันไม่เจ็บมันไม่ปวดไม่อะไรทั้งหมดมันเป็นปกติปกติธรรมดาที่ต่างกันเพราะมือขวาไม่มีหนัง มือซ้ายมีหนังเวลาขยับนิว้วมือฝ่าก็นิทนิทมาเสียดสีกันมันก็เสียดสีก็นิดหน่อยไม่เป็นไร <c oughs> หลังจากนั้นก็เดินออกไปเป็นเวลาสี่ทุมเศษเอาไปจงกรมก็รู้สึกว่ามีพระสามสี่องค์ท่านถามว่าเจ็บมือไหมเขาบอกขยับให้ท่านดูอกไม่เจ็บเลย ท่านก็แปลกใจก็มีพระปะรินอง์หนึ่งชื่อพระมหาสมนึกบากว่าผมถูกนํำร้อนโลกที่ก้นนิดเดียวขึ้นหนึ่งผมนอนไม่หลับตอนนี้หลวงอาไม่มีความรู้สึกจิบเลยผมแปลกใจมาก <c oughs> ถ้าอย่างนี้ก็ต้องนอนร้องกันไปหลายวันดีไม่ดีแต่คิวก็กิน <c oughs> ก็เป็นอนุวา งานนั้นก็ผ่านไปแต่าการรักษาแผล <c oughs> การรักษาแผลนี่แปลกหมอยามาให้ก็มีความชืน้นพอคือนนี้สองสุ น, นัขที่เลี้ยงไว้ให้น้ำมันจะอุน่นมันก็เข้าไปในห้องหัวหมุดเข้าไปในมงุงและแกก็พยายามดึงผ้าที่พันมือ เ้าปากค่อยๆคาบไม่ถูกเนื้อค่อยๆดึงมาทีละน้อยๆกาถามว่าอ้วนจะทำอะไรตามตามโบติหมาตัวนี้รู้จักภาษาคนดีมากเพราะว่าแกเกิดมาตั้งแต่เล็กๆ ก, ก็พูดภาษาคนกันตลอดแกก็ไม่รับฟังแกค่อยๆดึงกลัวจะเจ็บเมื่อรู้สึกถึงความต้องการของแกก็แก้ผ้าออกก็ดูสิ แกผ้า พ, พันมือออกดูที่ว่าจะอ้วนจะทำอะไรเมือแกผ้า พ, พันมือออกจะอ้วนก็ลิ้นเลียตรงไหนมีความชื้นแกก็เลียทั้งหมดเลียแล้วแกก็ไม่ออกไปจากห้องแกก็นอนอยู่ ใ, ใกล้เตียงสักครู่ใหญ่ๆแกก็ลุกมามดุดหัวเข้ามาในมงดูว่ามือตรงไหนมีความชื้นบ้างแกแล้วก็รักษาตลอดคืน ทำแบบนี้ปรากฏว่าตอนเช้ามือแห้งสนิทและปรากฏว่าบางส่วนมีหนังขึ้นมาบางบางนี่ตอนกระงวันแกก็มาอยู่ห่างกกพยายามเลียตลอดจนท่านจำ บ, บ้านเขาเห็นว่า ท, าทำทาไมปล่อยให้หมาเลียมือก็รายงานให้ประชาชนทราบว่าหมาตัวนี้เป็นหมอแกเลียอย่างนั้นสองวันปรากฏอ้วนหนังขึ้นเต็ม แล้วก็มีขนขึ้นเหมือนมือปกติแกรักษายอยู่แบบนี้ไม่ถึงหนึงอาทิตย์มือก็หายนี่พวกเราที่มาเกณงกันว่าสุนัขเป็นของไม่ดีนะมองดูความดีของสุนัขบ้างสุนัขมีความกตัญญูกตเวทีจุดนี้ที่พ่อเล่าให้ฟังก็อยากให้ลูกรักเปิึงทราบ ว่าขึ้นเชื่อว่ากฎของกรรมที่มันมีอะไรเกิดขึ้นนะอย่าไปโทษคนอื่นจงจำพระพุทธภาสิว่าตนาโจทยัด ต, ตานังจึงกล่าวโทษโจทยความผิดของตนเองไว้เสมอสิ่งที่มันไม่ดีที่แมัเกิดขึ้นกับเราก็คือการเราทำไม่ดีไว้ในการก่อนมันเป็นผลสะท้อนในพบในชาตินี้ แล้วก็สำหรับกําลังใจที่ทรงอารมณ์ก็คือทรงอารมณ์จับพระนิพพานไว้เป็นปกติเราจะไปถึงนิพพานหรือไม่ถึงนิพพานก็ช่างพยายามทำจิตมีเมตตาให้ทานไว้เสมอเป็นการตัดโลภะเราให้ทานเพราะเมตตามันก็ตัดโทสะไปในตัว ในเมื่อตัดโลภตัดโทสะมีเมตตาเสมอจิตก็เป็นสุขเมื่อจิตเป็นสุขเมื่อปัญญามันก็เกิดปัญญาแม้ว่าเกิดในที่สุดมันก็เห็นโทษของร่างกายในเมื่อเราจิตไม่ติดในร่างกายที่อย่างเดียวมันก็ไม่ติดทุกอย่างและจรจําไม่ดีว่าใครเขาดา่าก็จะคิดว่าเราด่าเขามาก่อน ให้เขาแกล้งเราเราคงแกล้งเขามาก่อนถ้าเท่านี้ถือว่าเป็นการชดใช้นี้กันไปใจไม่จะได้เป็นสุขแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องค่อยๆทำไปใจมันจะได้ชินคำว่าชินหรือชาญมันก็คืออันเดียวกันชาญก็มีอารมณ์ชินทีนี้ก็ถามถ้าถามว่าต้องการละสัญญช้ยขั้นไหน ก็ต้องตอบว่าช่างมันใครเขาจะถามว่าได้ฌานไหมเราก็ตอบว่าฉันไม่รู้ไวิปัสสนาญาณขั้นไหนเราก็ไม่รู้เราจะไปสนใจทุกอย่างสนใจกําลังใจอย่างเดียวคือหนึ่งร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราตัวนี้คิดให้มาก อย่าติดใจในร่างกายของเราอย่าติดใจในร่างกายของบุคคลอื่นอย่าติดใจในวัตถุธาตุว่าเราก็มันจะไม่จากกันเราการที่สองอย่าสงสัยคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้านั่นก็คือพระนิพพานเรื่การที่สามนักษาติศรีเนปริสต์ รายการนี้สี่หักข้างกำลังใจในด้านกามารมณ์รายการนี้ 5, ห้าหักข้างกำลังใจในโทสะและพยาบาทรายการนี้หกยาหลงในรูปฌานรายการที่เจ็ดยาหลงในอรูปฌานรายการ 8, าที่แปดยาถือตัวถือตนเพราะเราดีกว่าเข า, เรา เ, ขาเราเสมอเขาเราเรวกว่าเขา ถือว่าคนกับสัตว์มีความเกิดแก่เจ็บตายมีธาตุสี่เหมือนกัน <c oughs> ในที่สุดมันก็พังรายการที่ห้าคุมกำลังใจให้ตรงจิตประสงค์เฉพาะจุดเดียวคือพนิพานรายการที่เก้านะรายการที่สิบเห็นกำลังใจตัดอวิชาวอวิชาแบ่งเอาไปสอง s i d คือฉันท่ากับราคาฉันท่าความพอใจในการเกิดเป็นคนในการเกิดเป็นเทวดาในการเกิดเป็นพรหมไม่มีสำรับเราในความเห็นว่าเทวดาสวยพรหมสวยมนุษย์สวยไม่มีสำรับเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานการรักษารมณ์อย่างนี้ <c oughs> ใครก็ยะว่าบ้าวาบบอก็ช่างเขาเรารักษากำลังใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราพยายามตรวจบารมีสิประการให้ครบทนและก็ใช้อิติบาสีคือชั้นทะความพอใจในการทรงบารมีสิเนพอใจในการละสังโยชนิยะอะไรที่มันเข้ามาขัดขวางมีความเพียน ทำการต่อต้านน้ำมันให้ถึงที่สุดจิตตะตั้งใจว่าอย่างเดียวว่าต้องทำให้ได้มีมังสายขณะที่ทำคข้ควรวนเสียก่อน <c oughs> ว่าธรรมะที่องค์สมเด็จพระจินนวรสรงสอนเราแล้วทำถูกแล้วทำผิดใช้ปัญญาช่วย <c oughs> เพียงเท่านี้ย <c oughs> ินรักผลมันก็จะมีผลตามที่ข้อรำมา แต่ลูกอาจจะดีกว่าพอ่อตันนี้ย้อนคอยถอยหลังก็ไปในมาการตายขั้งที่สี่นี่ไม่ใช่ขั้งที่สี่ั้นสี่ทนี้มาถอยหลังมาการตายขั้งที่สามเมื่อปีพศ2 5 อ, สอส0เดือนมีสายน ที่ตอนนี้พ่อยังอยู่ที่วัดบ้านำโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียอยุธยาตอนนั้นรู้สึกว่าพ่อกำลังใจยังต่ำอยู่นี่ถอยหลังมาถึงกำลังใจต่ำความนิยมของพ่อก็คือหนึ่งเป็นการทรงศีลไว้เสมอมันยันดีไม่ดีเท่าไหนใครไม่ทราบ รายการที่สองส่งสมาธิไม่เป็นปกติราการที่สามทำงานสาธารณประโยชน์สงเคราะห์คนยากจนในถินทุรกันดาลรวมความมากคนอดก็แล้วกันอดที่ไหนไปที่นั่นรายการที่สี่ช่วยก่อสร้างงานสาธารณประโยชน์สร้างวัดสร้างโรงเรียนเจ้าพ่อโรองเรียนนี้พ่อสร้างจริงๆสี่สิบหลังเศษ ช่วยบำรุงวัดให้ดียี่สิบ <c oughs> วัดเสร็จถ้าทำกันให้ดีจริงๆแ้วทำที่ไหนเขาด่าที่นั่นนะลูก <c oughs> การทำความดีที่มันขัดใจคนชั่วเขาด่าที่นั่น <c oughs> ต่อมาก่อนหน้าปีพศสองพัน้องพันห้าร้อยประมาณสามปีตอนนั้นจิตของพ่ อ, อยังสามอยู่ หมายความว่าจิตมันยังเกาะขันห้ามากเกินไปยังมีความห่วงใยในขันห้าแล้วก็ใช้อารมณ์ใจดูตัวไว้เสมอว่าอะไรมันจะเกิดมาบ้างตอนเช้ามืดก็โจทย์ว่านับตั้แต่เช้านี่ไปจงกว่าจะถึงหลับใหม่จะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง <c oughs> คนที่มาใครดีหรือใครชั่ว ตรวตัวเองว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นวันหนึ่งก็ลองตร ด, ดูต่อไปขา้างหน้าประมาณสามปีก็จะทราบว่ากิจอันนี้มันจะต้องป่วยอย่างหนักก็ อ, อาจจะต้องนอนป่วยถึงสองปีและก็ต้องมีอาการพักฟื้นหนึ่งปีรวมความแล้วข้างหน้าอีกสามปีจะป่วยหนัก <c oughs> เมารู้จุดนี้แล้วก็เห็นภาพหลวงพ่อปานแล้วก็ภาพครูบาอาจารย์ไม่ได้ภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เบาในการก่อสร้างเพราะว่าร่างกายมันุดโทมมากทนไม่ไหวมันจะป่วยหนักแล้วการป่วยคราวนี้ดีไม่ดีก็อาจจะตายพออะไรตัดสินใจตรงกันคํา <c oughs> คิดว่าถ้าเราจะตายก็ต้องทำให้หนักขึ้นพอกระรวบรักการงานทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีพอสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าสองพันสี่ร้อยมันสองพันห่รอยนะสองพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าปีนั้น พ่อได้สร้างพระโบสดสองหลังเสร็จภายในปีเดียวทำงานฝังรูปนิมิเร็จก็ถึงปีงงพศ .2500 เป็นเดือนเมษายนเมื่อทำเสร็จก็เดินทางเข้าโรงพยาบาลความจริงการปีนั้นก็ป่วยหนักกพเริ่มเข้าจุดปีที่สองจะป่วยมันก็เริ่มป่วยแล้วยิ่งป่วยยิ่งทาหนักยิ่งป่วยยิ่งเสียสละมากขึ้น เงินส่วนตัวของพ่อไม่มีพาอเดินทางเข้าโรงพยาบาลคือกรมแพทย์ฐานเรืเอพ่อมีสียตังที่เขาจะไหเป็นส่วนตัวจริงๆอยู่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทนี่เป็นเงินติดกระเป๋าประจำเพราะว่ามีความขัดข้องอะไรเกิดขึ้นเดินทางรับวัดได้เตรียมไว้เท่านี้ แต่ส่วนที่เขาจะไหเป็นส่วนตัวกมากเป็นหมื่นเป็นแสนพ่อไมีมีเหลือพ่อทําหมดเป็นปกติเพราะว่าหลวงพ่อปานสอนพ่อแบบไหนว่าเงินจงอย่ามีให้ถึงหนึ่งพันเงินปีนี้อย่ามีถึงปีหน้าแต่พ่อก็ผิดสัญญากองหลวงพ่อปานอยู่หน่อยหนึ่งนั่นคือเงินปีนี้มีถึงปีหน้าเงินนั้นจํานวนยี่สิบบาทติดกระเป๋า <c oughs> เป็นการป้องกันตัวเท่านั้นเองเมื่อเดินทางพระกรมแพทย์ท้ันเหลือเป็นปีกึ่งและจากึ่งถึงพุทธกาลพอดีก็ยังมีทา ย, ยกของวัดเดินทางไปเยี่ยมพอแต่พวกนี้ไม่มีใครเขาตั้งใจไปเยี่ยมเขามาขอทรัพย์ขอสิน อาสมบัติต่างๆนี้พ่อสร้างขึ้นชิ้นแป๊บน้ำเครื่องกระเื่องกาเนิดไฟฟ้าสามเครื่องขยายเสียงเขามาขอให้มีสิทธิ์ใช้เนี่ยเพราะลูกจนดูว่าน้ําใจของคนเร็วๆนั้นเป็นอย่างนี้แล้พ่อก็เลยบอกว่าของทุกอย่างมันเป็นของสงฆ์ฉันไม่มีอำนาจจำุนาย จะใช้ได้หรือไม่ได้มันเป็นเรื่องอำนาจของสองฆ์และหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเข้าไปเยี่ยมอีกเป็นอันว่าคนที่พ่อช่วยไว้ทั้งหมดไม่เวลาที่พ่อมีทุกไม่มีใครเขาเหลียวแหลเขาต้องการอย่างเดียวไม่เวลาที่พ่อมีกิจหรือมีฐานะพอจะช่วยเขาได้ มีแต่คนมาขอลวงความอาชาตินี้พ่อเจรแต่ชกชก<ๆ>ก็พ่อมาเจอดีตอนหลังนี่แหละที่ตอนบรรดาลูกๆมารวมกันนี่ตอนนี้เนี่ยพ่อมีความสุขเพราะทุกคนที่เป็นลูกก็รู้จักในการเสียสละพระระกนของพ่อทุกอย่างลูกรับหมดทั้งที่เป็นพระทั้งที่เป็นครวัต มีความห่วงใยตั้งใจให้พ่อมีความสุขอะไรก็ตามที่ต้องจับใจใช้สอยแม้แต่ลูกทุกคนที่มีรายได้จำกัดก็ยังพยายามเสียสละเพื่อพ่อการงานทุกอย่างที่พ่อจะต้องทำลูกก็หอบเอาไปทำกันหมดนั่นก็มีการประคับประคองไม่ต้องการให้พ่อมีความเหนื่อยยากลำบาก นี่พ่อเพิ่งมาพบคนดีตอนปลายมือของพ่อนี่เท่านั้นเองในความหมายความว่าเป็นลูกที่ดีของพ่อมันนับเป็นอสง์อสงไข่กับแต่ในการก่อนนะพ่อพบแต่ศัตรูว่าถ้าพ่อทําดีเขาก็ดา่าเขาก็นินทาหรือว่าพ่อมีอะไรพอเขาจะใช้ใจ่ายได้บ้างเขาก็จะเอา พ่ทายกพวกนี้ที่เกลียดพ่อมาในการกรเป็นว่าพ่อไปรื้อฟื้นวัดมีไรายได้ดีเขาจะมาขอเงินไปให้กู้เขาบอกว่าเขาใช้ดอกเบีย้ยตามกฎหมายแม้ว่าดอกเบีย้ยี่เกินไปนั้นเขาจะเอาพ่อไม่ให้เขาเรื่องนี้เขาก็เลยโกรธเงินสงในสมัยที่นพ่อปานมีอยู่แค่ประมาณสองหมนบาทเศษ เขาไปเก็บไว้เพราะว่าถามว่าจะมาสร้างอะไรได้ไหมเขาก็บอกมันได้เมื่อพ่อเบิกก็มาสร้างก็ปรากฏว่าเขาก็กลีดพอแต่ว่าคนบนนี้เวลาที่พ่อป่วยเขาก็คิดว่ามีเงินมากเขาก็มาขอเงินเพื่ออาไปใช้เรื่องนั้นเรื่องนี้เขาอ้างว่าเป็นเรื่องของวัดพ่อ ก, ก็บอกว่าเงินส่วนตัวที่เขาจะไหวเป็นหมื่นเป็นแสนนะพ่อไม่มี พอสร้างหมดเข้าโรงพยาบาลพ่อมีทุนอยู่เพียงยี่สิบาทพระถ้าไปค้นตางกติได้มาอีกประมาณแปดสิบาทแล้วหกสิบาทหกสิบาทรวมแล้วมีเงินแปดสิบาทแปดสิบบาทนี่เป็นทุนที่พ่อเข้าโรงพยาบาลบันแรกเรื่องสมหรับลูกรักคนนี้ก็หมดเวลาเสิแล้วนะเอาไว้คุยกันต่อไปว่าจิตใจตอนนี้ของพ่ อ, อยังสามีอยู่ลูก ร, รักเพิ่งทราบ ดวงกายกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ข อ, อยุติเพียงเท่านี้ความดีใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันด า, ส, าสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบัติทานไว้ขอลูกรักของพ่อทุกคนจุมรุทำนั้นในชาติปัจจุบันนี้เถิดสวัสดี